เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะแก้ไขให้ดีได้อย่างไรความจริงแล้วอาการนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่น่ากลัวอะไรถ้ารู้จักวางอุเบกขาความกังวล น, นั่นเองจะยิ่งเพิ่มแรงปั่นป่วนหรือในทางตรงกันข้ามถ้านึกว่านี่เป็นโอกาสถอดจิตเกิดความพยายามจงใจสลัดจิตให้หลุดออกจากกายก็น่าเป็นห่วงมาก เพราะกำลังยังไม่ถึงจริงเหมือนเครื่องบินยังไม่มีเครื่องที่ทรงกําลังแต่ก็พยายามดันทุรังจะทยานขึ้นฟ้าฟ้ายังไม่ทำไรก็ตกพังเสียก่อนถ้าระวังเฉยไม่กลัวและก็ดูอาการของเจ็ตเหมือนคนอื่นพลังที่ปั่นป่วนอยู่ก็จะเหมือนพายุที่ซัดแรงได้ด้วยกาลังทรงเก่าเดียวเดียว ในที่สุดก็จะหยุดเพราะขาดกำลังส่งลูกใหม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ประวัตไว้ล่วงหน้าและก็จะมั่นใจในคุณของการผักวางเฉยเป็นกลางมากขึ้นด้วยสรุปทุกขั้นตอนในสติปัฏฐานสีนั้นถ้าบวกๆ ก, กันเข้าแล้วก็จะปิดช่องโหว่ได้หมดผู้ปฏิบัติสามารถภาวนาได้ตลอด24ชั่วโมง เมื่อเข้าใจว่าจะมองกายใจของตนเองออกมาจากภายในอย่างไรเพราะแม้แต่จิตมีราคะโทสะโมหะก็สามารถรู้สภาวะเหล่านั้นโดยความเป็นนิวรนนิวรนเป็นของเกิดดับไม่ใช่ตัวตนใครที่ใกล้ชิดกับราคะโทสะโมหะมากๆและรู้สึกท้อว่า คงไม่มีหวังภาวนากับเขาก็น่าจะเปลี่ยนความคิดใหม่คือที่แท้เราอยู่กับอุปกรณ์ภาวนากับเขาเหมือนกันขอให้รู้เป็นเท่านั้นอาการที่จิตหลุดออกจากนิวรณ์ทั้งห้ามีความตั้งมั่นปลอดโปร่งสะอาดเร่งเก่าอย่างแท้จริงนั้นจะเป็นสภาพสุขในตัวเอง พอใจในตัวเองเห็นผลว่าคุ้มกับการแลกสำคัญคือก่อนยังไม่ลิ้มรสสุขชนิดนั้นก็ยังมองเห็นนิวรนเป็นสิ่งน่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่เริ่มต้นจึงอาจจะต้องคิดโดยแยบขายให้มากว่าถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยนิวรนอันเป็นต้นเหตุทุกรูปแบบต่างๆเมื่อถอดถอนทิ้งเสียได้หมดก็ คาดหมายได้ว่ามีรางวัลอันเป็นสุขรออยู่เป็นแน่แท้และสิ่งที่เหนือกว่าความสุขอันเป็นรางวัลขั้นต้นคือศักยภาพพร้อมที่จะดูกายใจโดยความเป็นสภาวธรรมเช่นขันห้าอายตนะหกดังที่เรากําลังศึกษากันในบทต่